ขอความเจริญในธรรมซึ่งมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโบติยานกำลังเสนอชมพูท r ี p และประชาชนอันเป็นข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์เพื่อจะเป็นฐานในการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราจะเจอในอโอกาสต่อไปนะวันนี้เพิ่งดูตัวอย่างว่า เรื่องกาลามาสูตรที่เราชอบอ้างกันจังเลยนะสังคมไทยนี่ชอบคุยกันจริงโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยอะไรก็กาลามาสูตรอะไรก็กาลามาสูตรโดยไม่ได้ศึกษาในแง่มุมของประวัติศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมลักษณะทางวัฒนธรรมคือต้องศึกษาเขาอ่ะถ้าไงั้นเด็จะไม่เข้าใจใแต่ถ้าเราอ่านไปตีไปดกบ่อ ย, ยๆเนี่ยนะ พอเจอปั๊บเนี่ยเราจะนึกถึงภูมิศาสตร์ได้ลักษณะเขาเป็นอย่างเงี้ยพราะแนวกาลามาสูตรคือเกสปฏตนิคมเนี่ยนะที่เป็นที่อยู่ของชนชาวกาลามะมันมีลักษณะเป็นประตูป่าประตูป่าแล้วก็สังคมอารยันยุคนั้นน่ะเขาจะมีสันทาคารสันทารคารเนี่ยเป็นอาคารโถงใหญ่เอ่อเป็นที่พักผ่อนของคนเดินทางบ้าง แล้วก็ชนชาวหมู่บ้านกับคนเดินทางอาจจะมาพบปะมาตั้งวงคุยการเล่าตำนานนิทานต่างๆใครมีเรื่องอะไรก็มาพูดมาคุยกันแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ทุกคนขยายออกไปจิตพวกกองเกวียนมาเจอกันกันกบชาวท้องถิ่นชาวท้องถิ่นก็มีเรื่องเล่าพวกกองเกวียนก็มีเรื่องเล่ามันก็แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันปัะตูป่าตัวนั้นต้องปดิดเราไม่ที่พักเพราะว่าคนสมมติว่า จะผ่านป่าเข้าไปเนี่ยต้องออกตอนเช้ามืดทั้งสองด้านนะนะแล้วก็มาค่ําอยู่ที่อีกด้านหนึ่งเลยก็ต้องพักเพรา ะ, ะนนคนเข้ามาจากด้านหนึ่งก็มาพักตรงนี้คนออกไปตรงนี้ก่อนจะออกไปนะฮก่อนจะเข้าไปในป่าเนี่ยก็ต้องพักก่อนเช้ามืดก็ออกเดินทางพอค่าโปรเพก็ออกป่าทางด้านโน้นพอดีไม่มีเรื่องคุยเยอะ เพราะฉะนั้นชาวกะลามะจึงได้ยินได้ฟังเรื่องเยอะแล้วก็อย่างว่านะฮะคือบางคนแล้วก็เก่งพูดแล้วก็ไม่ยอมใครกันตัวเองก็ถูกหมดชาวกะลามะเองก็สับสนทีนี้ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาถึองภูมิหลังในแต่และเรื่องเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นมันก็จะได้คําตอบ ยังใกลๆกับเราไปเที่ยวในที่ใดทีศหน่งเนี่ยคือทางที่ดีที่สุดแล้วต้องเอาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับท้องถิ่นตรงนั้นมาได้แล้วันลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมลักษณะทางการเมืองลักษณะทางเศรษฐกิจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจยังก้ๆกัเราไปทางภาคอีสานเนี่ยท่างทั้งหลายลองสังเกตด้วยจังหวัดทางภาคอีสานชื่อเพราะจริงๆ ชื่อมีความหมายลึกซึ้งอุบลราชธา น, นีอุดรธา น, นีนะ <c oughs> มุกดาหารอะไรแต่ไหเนี่ยชื่อเพราะโอเคโสธรพวก อ, อะไรแต่ไหชื่อเพราะเพะนันมาจากไหนใครเป็นคนชื่อเพราะดูปเป็นบาลีอย่งนั้นทีนี้เราได้ศึกษาได้สอบถามเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีความแหลมคมไม่ใช่น้อยนะแต่ละชื่อแต่ละจังหวัดเนี่ย แล้แสดงให้เห็นเรื่องตำนานความเป็นมาเขาเรียกองหนึง่งวลคําคในภาษาบาลีเนี่ยแต่ละคําเนี่ยท่านจะบอกเลยเช่นพารณนสีเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าภารณนสีอิสิปัตนะทําไมจึงเรียกว่าอิสิปัตนาะหรือว่าเมืองหลวงของแคว้นกุศลทําไมจึงเรียกอย่างนั้น ก็จะมีการอธิบายสาวัตถีทำไมจึงซื้อสาวัตถีพาเลนสีทำไมจึงซื้อพราวลนสีสัสเกตทําไมจึงซื้อสาเกตอะไรต่อเนื่จะมีประวัติความเป็นมาแล้วทําให้เราเกิดความเข้าใจทีนี้ก็มองในด้านของการศึกษาการศึกษานั้นมันจะมีลักษณะรวมศูนย์ก็กกรกรเรียกว่ามีอาจารย์ที่สาปาโมกที่จะสอนศินลปศาสตร์ในแต่ละสาย ส่วนใหญ่แล้วพวกที่เรียนจริงก็ค erm so really ือพวกพรามกับพวกกระสับส <ๆ S 2> ่วนพ่อค well. ้าวันนี้ส่วนใหญ่มันก็เรียนกับ่ครอบครัวนะฮะใกล้ๆกับครอบครัวคนจีนเราจะเห็นว่ลูกก็เก่งตั้งแต่เล็กๆทํามาค้าขายเก่งตั้งแต่เล็กๆก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภายในครอบครัวเพราะแนวการศึกษาในปัจจุบันที่กําหนดให้ครอบครัวเนี่ยจัดการศึกษาได้เนี่ย ไมใเรื่องใหม่อะไเลยนะฮะเราก็หวือหวาวกันที่จริงมันเรื่องเก่าเรื่องเก่าก็ทำกันมานานแล้วสมัยพุัตการก็ก็มีเรียนกันเป็นครอบครัวเรียนกันเป็นสกูละแล้วก็มีบุคคลภายในสกูลภายในครอบครัวนี่เอง ก, ก็เป็นคนสั่งสอนเพราะงั้นการศึกษามันก็ไปตามสายแล้วก็ต้องการความํานานถ้าก็ได้วิธีการสอบวิธีการวัดผลซึ่งถือว่าก็เก่ง เพราะว่าจะเป็นวัดผลในเชิอง อ, อภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีแต่ของเราเราจะเห็นว่าเราจะชัน เ, เน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคหรือภาควิชาการมากกว่าภาคปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างที่คนรุ่ น, ร, น, ร, นรุ่นก่อนคือวรุ่นรุ่นวพระเดชกุโฑตย่าเนี่ยเจ้าพ ร, ระเจ้าปเสนทิโกศลพระเจ้าอะไร่ะราชากุมารพันธุ ล, ละมาลิ อันนี้ไปเรียนแล้วก็แสดงศิละปะวิทยาโชว์กันท่านพันธุระนี่ไปเรียนเรื่องควันดาบแล้วเยี่ย ม, มากควันดาบเนี่ยไม้ไผ่มัดรวมกันห้าสิบลำเลความแป๊กเบลเลยขาดที น, นี้มันมีคนทดลองแล้วไม่บอกให้ท่านรู้การวางน้ำหนักของดาบเนี่ยมันเกิดดังกิ๊กขึ้นมาเพราะเขาซีเหล็กไปใส่ไว้ใน ในเม็ดผ่ยท่านก็น้อยใจว่าเรื่องขนาดนี้ไม่มีใครกระซิบบอกให้ถ้าท่านกระซิบบอกท่านก็เพิ่มน้ําหนักในการฝันก็จะไม่มีเสียงดังก็ถามให้ท่านน้อยใจไม่อยู่ในแคว้นมัลละก็มาอยู่กับพระยาประสิทนิีโกศลมาลิตองฤทธิชวีเนี่ยสแสดงกันจนตาบอดแต่ก็ได้เป็นอาจารย์สอน กระจ า, าดปัจจุบันฤาษีพระเจ้าประเสริฐนิโกศนก็แสดงศิลปะวิทยาโชก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าหมากโกศนก็มอบราชสมบัติให้หรือว่าพระพุทธเจ้าเราเองก็มีลักษณะอย่างนี้คือแสดงศิลปะกันาากยินดนูการฟันดาบแล้วก็การควบคุมมาวว้าพยศและประสบความสำเร็จ ถือว่าแนวแนวการสอบก็แปลกแล้วก็เช่นหมอชีวาโกมาตาพัทมันก็สอบแนวแคล้ายๆกันแต่นั้นก็เรียนทางหมอแล้วการเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือว่าเราให้ค่าเราเรียนแก่ครูก็ไม่ต้องช่วยงานไม่ต้องช่วยเหลืออะไรก็เรียนอย่างเดียว แนวความคิดเหล่านี้เราก็มาเรื่อยมาเราเห็นว่าแม้แต่ในเรื่องพระภัยมณีเนี่ยมันมีประโยคสั้นๆที่อาจารย์ซึ่งสอนศินละปะวิทยาให้แกพระภัยมณีศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าเพื่อไม่ให้ไพร่ได้วิชาคือตีราคาค่าควรเมืองไว้ป้องกันไม่ให้ไพร่ได้วิชาคือแสดงว่ามีการกีดกันเรื่องชนชั้นที่สูงแล้วเราก็ไปรับเข้ามาทั้งกะบิเลย กิจการไม่พรายดาวิชาแล้วก็มานะฮะที่จริงถ้าเราดสงงนะูสังคมไทยเนี่ยสังคมไทยแม้เมื่อก่อนพระภิกษุเนี่ยต้องรูปร่างดีๆหน้าตาหล่อๆผิวข า, ขาวๆอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงจะสอบมาปรเรียนได้มันเกิดเปลี่ยนแถวสมัยราชการที่สามอะไรนี่นะมันมีท่านรูปหนึ่งเป็นชาวพัทลุงตัวดำปึ๊ดเลย เรียนเก่งเรียนบาลีมาเก่งแล้วก็แตกฉานแต่ว่าเขาไม่สอบนะรูปไม่หล่อแต่ก็อยากจะไปดูเขาก็ไปรับใช้ต้มน้ำร้อนน้ำชาไปเลี้ยงคนที่มาสอบทีนี้ไอ้การเสิร์ฟน้ำชามันต้องผ่านไปผ่านมาได้ยินก็แปลเมื่อก่อนก็แปลปากพระองค์หนึ่งก็แปลมันง่ายนะฮะแต่แปลไม่ออก ท่านก็เดินบนไปบอกโอ้สับขนาดนี้แปลไออกก็แย่แล้วพอดีกรรมการออกไปปัสาวะได้ยินเขา่าท่านถามว่าคุณแปลได้เหรอเอาไปได้ก็ท้าทายกันพิสูจน์กันนะครับแปลรวดเลยไปเลยในสุดได้ป .9 อะในปอ .9 ได้รับการยกย่องเป็นราชาคณะเป็นเจ้าคุณแต่ท่านก็ใจเด็ดนะออกไปอยู่พัตลงเลยไม่ได้อยู่ในกรุงเท นั่นคแสดงว่าแนวความคิดในการกีดกันคนอื่นเนี่ยมันมีตลอดเพราะความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาคือปัญหาสังคมเนี่เองแล้วเราวลาเรามองอย่าเรามองปัญหาในปัจจุบันเนี่ยให้เราตั้งเกตเรามองความมั่นคงในสี่เรื่องแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อยู่ในฝ่ายใดก็จะอ้างอย่างนั้นเศรษฐกิจก็จะให้ความสําคัญแก่เศรษฐกิจฝ่ายการเมืองก็จะให้ความสําคัญแก่การเมืองฝ่ายการทหารก็จะให้ความสําคัญแก่การทหาร ใครสังคมเองก็ให้ความต้องการแก่สังคมแต่ถ้าเรามองกัด้วยความเป็นธรรมะนะฮะว่าผิดผลข้งหมดที่ไปอยู่ทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีทางการทหารก็ดีมันเป็นคนจากสังคมมันไหลไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาคนด้วยระบบการศึกษาอบรมให้ดีนะฮะในช่วงที่เขาอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ได้นักการทหารที่ดีเราได้นักเศรษฐกิจที่ดีเราก็ได้นักการเมืองที่ดี แต่พอเราคิดแบ่งแยกคล้ายๆกัไม่เกี่ยวกันและในที่สุดก็ไปเล่นในเรื่องเราเองก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นกันเพราะการมองในแนวในแนวนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันจึงมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็อาศัยระบบอุปธรรมพอสมควรนะครับท่างหมอชีวกโกมารพัฒเนี่ยถ้าท่านไปลำพังก็คงเรียนไม่ได้หรอก แต่ท่านไปในนามพระโอรสของอภัยราชกุมารก็เหมือนกับราชกุมารก็ไปเรียนได้แต่เรียนในฐานะที่คล้ายๆกับคนในครอบครัวเหมือนกับลูกหลานของอาจารย์ทิสาประมุกอาจารย์ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเรียกปิสดาจางอาจารย์ที่ปรึกษาคล้ายๆอาจารย์พี่เลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะเก็เรียนศินละปะวิทยาศาสต่างๆก็ไม่เบานะ คือถ้าพูดถึงความเจริญก้าวหน้าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก้าวหน้าขนาดทํานกบินได้แล้วอ่ะก็บินไกลเป็นกิโลกิโลกันแล้วกันะบินข้ามภูเขาได้กันแล้วกันก็แสดงไม่ใช่ธรรมดาถ้าทําเป็นนกยนต์เนี่ยบินได้แล้วบินหนีเหตุการณ์ต่างๆคือการสร้างปราสาทอะไรพิเศษพิเศษบางทีเนี่ยก็กลัวนายช่างจะไปสร้างปราสาทให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์อื่นแล้วของท่านจะไม่พิศดาร พอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ฆ่าชา่างช่างทิ้งเลยในช่างแกก็นกรู้เนี่ยแกก็เตรียมนกบินเอาไว้พอถึงวันที่จะมอบหมายปราสาทจะแจ้งให้ประชาชนทราบขนบุตรปัญญาอะไรแต่ไรทราทร์สมบัติบินขึ้นเลยบินขึ้นทังขงบนเลยเ อ, เอารอดเอาตัวเองรอดปลอดภัยได้ ก็แสดงถึความจเจริญก้าวหน้าในด้า น, นต่างๆอย่างการแพทย์ก็จเจริญก้าวหน้ามากรบการศึกสงครามก็รบบนบนม้าบนหลังม้าบนหลังช้างบนรถรบมาที่สําคัญแต่ยิ่งคือรถรบเนี่ยช้างมีน้อยนะฮะแต่ว่ารบบนหลังม้ากับบนบนรถรบเนี่ยเก่งมากแล้วก็ราบแต่ว่าจริงๆเขาเรียกเจตุรงคิคีนีเสนาเนี่ยคือผลช้างผลม้าผลราบพลรถเนี่ย มันก็มีมาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณแล้วก็ในการศึกษาเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งพอพิสูจน์พอพอพวัดผลสอบบางทีนี่มันก็มีปัญหานะเช่นแสดงถึงมานบสองคนไปศึกษาในสำนักอาจารย์ทีสาปาโมกด้วยกันแล้วก็จบศิลปศาสตร์ด้วยกัน ก็กลับบ้านเดินทางเดียวกันเดินมาถึงไอ้เพื่อนก็เดินเดินไปก็พวกเอ๊มีคนเดินไ้ข้างหน้าเราคนหนึ่งนะมองไปไกลข้าหน้าไม่เห็นใครเลยเดินไปหน่อยคนนี้ผู้หญิงด้วยนะไอ้เพื่อนอีคนมองเอ๊มันรู้ได้ยังไงวะเดินเดหน่อยก็บอกผู้หญิงนี้ท้องแก่เสียด้วยสิก็ต้องลงว่าไอ้สามคำเนี่ยสามคำที่กบ มีคนเดินไปข้างหน้าคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงท้องแก่เนี่ยเพื่อนอีคนเรียนจบมาด้วยกันไม่รู้เลยว่ารู้ได้ยังไงตกลงว่าตัดสินใจวิ่งไปดูข้างหน้าก็ไปเจอผู้หญิงท้องแก่เดินอยู่กันหน้าจริงก็ ม, มีความรู้สึกของอาจารย์ไม่ยุติธรรมสอนลูกศิษย์ไม่เสมอภาคชวนกลับเลยมาถึงก็ต่อว่าอาจารย์อยญ่อาจารย์ก็งงเหมือนกันคือมันไม่เคยสอน มันเป็นเรื่องการสังเกตเรียกไหวพริปฏิภาณในการสังเกตของคนเราเองเป็นการสะสมเฉพาะตัวคนเหล่านั้นมันเรื่องมาเรื่องมันสอนกันไม่ได้อาจารย์ก็เลยส่งหม้อ ด, ดินให้คนแล้วม่อว่าพวกนี้เธอทั้งสองไปซื้อน้ำมันมาในหะ้เต็มหม้อเนี่ยเต็มเปลี่ยนนะตอนถึงอาจารย์นี่ต้องอเต็มเปี่ยนมลยไอ้คนที่แกรู้สามเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยแกก็หม้อไปแช่น้ำไว้เลย วางวางไว้ในน้ารุ่ง ม, มืนเช้าก็เอาไปซื้อไอ้ น, นี้ก็วางไว้นั่นแหละเอาไปซื้อจะว่าเป็นการมองไม่ตลอดสายของเรื่องและไม่เข้าใจในกระบวนการที่ตนเข้าเองตนเองก็ไปเกี่ยวข้องในบางจุดเนี่ยนะฮะคือถ้าแกเข้าใจว่ามอส ด, ดินมันดูดน้ำเนี่ยมันก็ต้องเอาไปแช่น้ำไปก่อนเพื่อให้มันดูดน้าให้อิ่มซะก่อนให้เต็มซะก่อนแล้วมันจะไม่ดูดน้ำมัน มผนพอไปซื้อก็ปรากฏว่าตอนซื้อมันก็เต็มจริงนั่นแหละแต่ว่าเดินทางมาเนี่ยหม้อชีแกไม่ได้ถูกแช่น้ําเอาไว้แกก็ดูดเอาน้ํามันเข้าไปแล้วก็อีกคนหนึ่งหม้อมันดินมันเต็มแล้วเนี่ยฮะมันก็ดูดเต็มแล้วก็เลยไม่ดูดเข้าไปก็ได้น้ําเต็มหม้อชีวกโกามาเราพัดมีวิธีวัดผลที่แปลกกว่านั้น คือูอาจารย์ให้ภาชนะไปให้จอไปคนละเล่มจอสําหรับคุณสมุนไพรนะก็ไม่จะจอบใหญ่หรอกมีข้อแม้ไว้ให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้ประกอบยารักษาโรคไม่ได้เพื่อนก็ขอบมาได้วันหนึงเยอะเลยแต่ละวันแต่ละวันไม่ชีวภพไม่ได้สักวันหนึ่งไปสี่ด้านของกรุงของเมืองตักกศิลาเนี่ยไม่ได้อาจารย์ก็สอบถามมาทําไมจะไม่ได้อะไรมันเลยก็บอกมันไม่มีอะไรนะอาจารย์นาที่ใช้ทํายาไม่ได้ ทุกอย่างมันใช้ปรุงยาได้ทั้งนั้นเลยนี่คือแสดงให้เห็นเรื่องความรู้ความรู้ในแต่ละสายเนี่ยอย่างที่สุนทรผู้ว่าไว้ร้อยไรให้กระจาดไปอย่างเดียวได้เชื่อาญเธอจะเกิดผลเพื่อทําให้นึกถึงสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเราสามารถจะเดินตามได้ในด้านด้านเดินคือเก่งจริงในตรงนั้นนะจริงจะหาตัวจับไม่ได้เลยเพราะหมอชิวโกมาภพจึงเป็นปรมาจารย์เลย ปรมาจารย์ของแพทย์เลยเรียกฮูโตในสามกกในสู้หมอชีวกโกมารพัฒนไม่ได้เพราะว่าฮูโตเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้ผิวมือของท่านอะในที่สุดก็ตายไปก่อนจโฉก็จับมาขังคุกเสี่เขาเรียกว่าหมอเทวดามันกันแต่หมอชีวกเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเทวดาหรอกเขอเป็นปรมาจารย์ใหญ่ทีเดียวมันก็เหมือนกับคําสอนในพุศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยสเปรธรรมมาเลย สิ่งต้องบมมัเป็นธรรมะเนี่ยเปงสุทธะธรรมาประวัติปฏิธรรมล้นล้ น, ลน ม, มันก็หมุนไปเพราะในภาคสนามของการปฏิบัติเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นได้ประโยชน์หมดเลยทั้งสี่ข้อนั่นแหละมันก็มีคําสอนที่เกี่ยวกับเรื่องเรามีเริ่องตนที่ทุกข์ก็มีเริ่มต้นที่สมุทัยก็มีนิโรธก็มีมรรคก็มีมันก็แบบเดียวกับหมอชีวกกุมารพัฒน์เข็นทุกอย่างเป็นยาไปหมดเลย แสดงว่ามันเข้าถึงศาสตร์ในเรื่องนั้นเป็นผู้ชานาญการแล้วก็ที่น่าทึ่งกันไปกว่า น, นั้นก็คือว่าหมอแกไม่คิดหรอกอาจารย์เนี่ยไม่คิดค่ารักษาค่าค่าสอนเธอก็ให้เงินค่าเดินทางมาก้อนหนึ่งก็คิดว่าเดินสักครึ่งทางเนี่ยมันจะหมดบอกลูกศิษย์ว่าคุณเธอต้องเอาเงินเอาเอาความรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือหากินให้ได้ถ้างานเธออดข้าวระหวังทาง หมอชี ว, วกเดินกลับบ้านนะกับเมืองราชครึกเนี่ยรักษาคนป่วยได้ทั้งสองสารายได้เงินตั้งเยอะจนบางบางรายในถวายผ้าอย่างดีมานะแกก็ไปถวายพระพุทธเจ้าระเจ้าพินพิสารนี่ก็คือลักษณะการศึกษาเนี่เราเจนว่ามันเก่งจริงๆศือศาสตร์แตละศาสตร์ี่แตกฉานจริงๆเราลองดูสิว่า ย่างจ้ชายติตะตาเนี่ยท่านควันต้นไม้ทีเดียวสองต้นนะขาดโดยไม่ลมต้นไม้ไม่รู้ตัวยคนก็ตกใจพังฝันไม่เข้านึกว่าฝันไม่ขาดดาบแทรกเข้าไปในต้นไม้คู่เนี่ยคนไม่เห็นแป๊บเดียวขาดแลยืนต้นอย่างนั้นเองลมโชยไปหน่อ ย, อยจึงคนท่านท่านท่าน พันธุรักนาะบดีก็มีลักษณะเช่นนั้นเราก oh in, you you like 50, 50, cool. ็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนเสี่ยงเก่งขนาดไหนเราไม้ไผ่มัดรวงก็ทั้งห้าสิบมัดอ่ะห้าสิบลำนะฮะแล้วตัดชั่วเดียวขาดได้เี่ยแสดงพลังข้อหมาชานมันละเป้ามวยปร้ำนะฮะมันเป้ามวยปล้ำร่างใหญ่ร่างใหญ่มีกำลังมากนั่นก็คือคือคือการศึกษาเราจะเห็นว่าไอความชานาญเฉพาะด้านเนี่ย อินเดียก็คงเนื้อหาตรงนี้ไปเยอะแล้วแม้แต่พระเราสังเกตพระที่เอตตะคะตั้งหลายก็คือชํานาญเฉพาะด้านน่ะเก่งเฉพาะด้านด้านนั้นแล้วก็เหนือคนอื่นเลยเรียบเอตตคะคือยอดกว่าใครหมดในสายตรงนี้แม้ในปัจจุบันในอินเดียเก่งจริงจรงนะในสายที่แกศึกษานี่แกเก่งจริงเลยแล้วก็ความจําก็แม่นความเข้าใจก็ดี นะแขกอินเดียที่เป็นยามบางคนเนี่ยจบเป็นญาโทมาเนะลองไปคุยกับเขาดูแล้วโอ้น่าดูเลยแต่ว่าเรื่องที่เขาไม่สนใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเอ็น ด, ดูมากไม่รู้เรื่องเลยนะตอนที่มาศึกษาอย่ที่นั่นเขาบุกไปทุบทำลายสำนักงานไทยอินเตอร์ของเราเ น, น, นี่ยตอนเมื่อตอนหน้าก็เรียกไทยอินเตอร์นะตอนที่บังกลาเทศเรบกับปากีสถานเนี่ย ที่เมืองพาราสีกอบบ่อกวนวุ่นวายกันหมดกำลังอบกันแล้วก็พอเรา็เ ช, ชื่อกันชี้แจงอธิบายแผนที่ให้แกดูเย้อนไปสร้างข่าวว่าปากีสถานเนี่ยบินไปเติมน้ํามันที่ประเทศไทยแล้วก็ไปถล่มที่บางกัลาเทศถล่มที่อินเดียนะมันโกรธใจเลยเอาแผนที่กลางมันดูวันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ มีอินเดียขวางอยู่มีบางประเทศขวางอยู่มีพม่าขวางอยู่แล้วก็บินมาได้ยังไงเราจะาเอาน้ํามันที๋ยนี้มันก็บินมาจากเมืองปากีสถานมันใกล้กว่ามาประเทศไทยอย่างเยอะเลยจึงเกิดความเข้าใจนะแล้วก็บทีแกไม่รู้แกไม่รู้จริงเหมือนกันนะแต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องยอมก็เลยยอมก็เลยว่าเก่งจริงจริงแเราไปอ่านหนังสือเอกสารต่างๆที่เขาเขียนเนี่ยเอาไาจัดการแล้วเก่งนะ เป่ยนออมากๆเลยแล้วก็เลยมาจนถึงลังกายังนึกน้อยใจอยู่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยวลี ป, ะ, ปะเปเนมเนี่ยสั์เฉพาะแต่ละคนเด่ลชื่อเนี่ยคนทําเป็นอุบาสกชื่อมาลาเสิกลาเป็นชาวลังกาที่อยู่ประเทระชื่ออะไรสรัพ์ธรรมะทั้งหลายเนี่ยส่วนมากไปชื่อคนชื่อศัพ์ธรรมะบางคำทาอยู่ได้ยังไงเล่มเบอร์เล่ ม, ลมสองเล่มใหญ่โตเลย จะแสดงก็เก่งในเรื่องเหล่นี้แล้วมันก็ถ่ายทอดสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยพวกนานํานาญเฉพาะด้านมันมีไปตั้งแต่สมัยโน้นแล้วถ้าเรามาเทียบดูว่าการศึกษาสมัยเนี้ที่จะคุยเรื่องสร้างพวกจานานเฉพาะด้านคล้ายกับเป็นความคิดใหม่มาไม่ใหม่ค่ะบเพราะพุทธกาลเนี่ยมันจะให้อะไรเราเยอะว่าที่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยเราไม่เก่งท่านไปก่อนเก่งกว่าเยอะเลย ท่านสามารถในการวิเคราะห์ในการวิจัยในการศึกษารายละเอียดในเรื่องต่างๆแยังนึกถึงพระพุทธเจ้าส่งอุ ป, ปมาได้การทํำลายกิเลสนะอุ ป, ปมาเมื่อกันทําลายต้นไม้ก็พูดว่าสับๆๆไปแหลกละเอียดแล้วก็เผาไฟเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วก็ตามลงในครกแล้วโรยลงในหมาสมมติคือแม่งอกอีู่ต่อไปเราว่าเฮ้ทําไมอุ ป, ปมาดูเดือดจัง เราก็เพิ่มรู้นะว่าเวลานี้เขาปลูกด้วยเนื้อเยื่อได้แล้วต้นไม้นี่เนื้อเยื่อนิดเดียวนี่ก็ไปปลูกอะไรได้แล้วเป็นต้นไม้ชนิดนั้นๆแล้วต่อไปมันอาจจะกล้ามากกว่านั้นนะอาจจะเอาไว้เซ็นต่างๆมาเพาะเชื้อผสมอะไรตอะไรก็อาจจะก้าหน้าไปเยอะเลยแต่เรื่องนี้พระเจ้าสอนไม่ตั้งนานนะเราไปอ่านแล้วก็บางทีเราก็เข้าไม่ถึงนึกไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไง เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราไปเข้าใจในเรื่องตรง น, นั้นเพราะเรื่องเหล่านี้ที่จริงเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะแต่เจาะลึกมากก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องมั น, นมั น, นมั น, น, ม, นมันเยอะเหลือเกินแต่ละเรื่องท่านฟังทั้งหลายแต่รบประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบูรณาธิมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี